เรื่องสำคัญนะราชาพุทธผู้จะจัดว่าเนี่ยมงคนสูงสุดมีสามสิบปดประการข้อแรกก็คือการนะไม่คบคนชั่วไม่คบคนพาลข้อแรกเลยเพราะว่าถ้าคบคนชั่วเป็นมิตร อีกสาสิบเจดข้อที่เหลือก็เกิดขึ้นได้อยากถะาจะเป็นไปไม่ได้เลยครบคนชั่วเป็นมิตรอันนี้จะทำให้เกิดความเสียหายไม่เป็นมงคลแต่ถ้าเราไม่ครบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยมงคลก็จะเกิดขึ้นเป็นมงคลสูงสุด ข้อที่สองคือคบคนดีนคบบัณฑิตและมงคลเนี่ยมันถ้าเป็นมงคลสูงสุดแล้วนี้ไม่เกี่ยวกับชื่อนะบงคนบอกต้องตั้งชื่อเป็นมงคลปลูกไม้มงคลทำอะไรก็ดูเลือกดูยามอันนั้นมันไม่ใช่มงคลในพุทธศาสนามงคลในพุทธศาสนาต้องทำเอา ดูรักเว้นทำสิ่งดีแล้วเว้นสิ่งชั่วเมื่อกี้เราก็สวดมานะการไม่ทำบาคทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมก <c oughs> <c oughs> ารทําวระเจงต้นให้เขารอบนี่สามข้อนี่คือหัวใจพุทธศาสนาแต่จะเกิดขึ้นได้นี่ก็ต้อง เรื่องจากการไม่คบคนชั่วไม่เอาคนชั่วเป็นมิตรอันนี้ที่เรามาค่ายนี่นะเป็นมิตรกับตัวเองเนี่ยอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะของการมีชีวิตที่ดีงามแล้วก็เป็นสุข คนเรานี่ถ้าพบคนชั่วเป็นมิตรแล้วนี่นะมันก็เป็นมิตรกับตัวเองได้ยากนะ่ขณะเดียวกันถ้าเราไม่เป็นมิตรกับตัวเองนะเราก็อยากจะคบคนชั่วเป็นมิตรเนะี่ยเมื่อกระตาที่เราไม่เป็นมิตรกับตัวเองเนี่ยเราก็จะไปหาไปเอาคนชั่วเป็นมิตรใครที่ พาเราไปทําชั่วเราก็ไปเพราะว่าเป็นเพื่อเราเนี่ยเขาคบคนชั่วเป็นมิตเนี่ยก็าพาไปป้นไปขโมยไปตีกันเราก็ไปเพื่อนชวนเนี่ยเราก็ไปไปยิงนกส่วนไปยิงน ก, นงนกเราก็ไป จะเป็นไงเราก็เดือดร้อนภายหลังเพราะว่าทําบาปผิดศีลอันนี้เป็นการทําร้ายตัวเองแ้วเราคบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยเราก็ทําร้ายตัวเองได้ง่ายอ น, นี้เป็นมิตรกับตัวเองเนี่ยทําไมต้องเป็นมิตรกับตัวเอง ทำไมเราต้องเป็นมิตรกับตัวเองคำตอบง่ายๆก็คือว่าเพราะตัวเองเนี่ยเป็นมิตรที่ดีของของเราถ้าเราเป็นมิตรกับตัวเองตัวเองก็จะเป็นมิตรที่ดีกับเรานะถ้าเราไม่เป็นมิตรกับตัวเองเราเป็นศัตรูกับตัวเองตัวเองก็เป็นศัตรูกับเราไม่เป็นมิตรกับตัวเองทำยังไงนะ ก็อะไรที่ไม่ดีก็อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์กกินเข้าไปสูบบุหรี่กินเหล้าเนี่ยคนที่ทำเงี้ยก็คือไม่เป็นหีกับตัวเองเพราะาเอาสิ่งแย่ๆสิ่งเร็วๆมาให้กับตัวเองสุดท้ายตัวเองก็เจ็บก็ป่วยเป็นมะเร็ง มะเร็งปอดสมลมโป่งพองตับแข็งแล้วเป็นไงทรมานไอ้ตัวเองแทนที่ให้ความสุขกับเรามันกลับสร้างความทุกข์กับเราต่อดตับไตใช่ปุงแทนที่จะเป็นมิตรกับเรามันก็ดันเป็นศัตรูกับเราเป็นศัตรูกับเราเพราะว่าเราไม่ดูแลเขาเราไม่เป็นมิตรกับเ้าเนี่ย เราไม่ดูแลเขาเราเอาสิ่งแย่ๆไปให้กับเขาเขาก็เลยเป็นศัตรูกับเราเพราะฉะนั้นะเนี่ยแต่ผมมันง่ายนิดเดียวนะที่ว่าเราต้องเป็นมิตรกับตัวเองเพราะว่าเราเป็นมิตรกับเขาเขาก็เป็นมิตรกับเราเขาก็จะทำให้เรามีความสุข มีสุขภาพดีเรียนหนังสือก็เรียนเก่งตั้งใจเรียนขยันแล้วก็อายุยืนด้วยมีความสุขนี่เป็นมกับตัวเองนี่ทำยังไงนะียก็หาสิ่งดีๆมาให้กับตัวเองตัวเองเนี่ยมีสองอย่างกนะ็คือกายกับใจ หาสิ่งดีๆมาให้กับกายเนี่ยไม่ใช่เป็นของอร่อยนะไม่จำเต้องเป็นของอร่อยแต่เป็นของที่บำรุงสุขภาพของที่อร่อยมันอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพก็ได้ถ้าเรากินตามใจปากเนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นโทษกับร่างกายเรานะเดีย๋ยวนี้มันมีอาหารเช่นเดียวกอาหารขยะอาหารขยะคืออาหารพวกเนี่ยกรุบกรอบ พวกแฮมเบอร์เกอร์พวกพิซซ่าเนี่ยก็คือมันมีพวกไขมันมีพวกเนื้อพวกนี้เยอะกินมากมากนี่ไขมันก็ไปเกาะตามเส้นเลือดทำให้หัวใจหยุดเต้นทำให้สมองอุดตันป่วยแล้วก็ตาย งันถ้าเราเไปไ็นเมกตาตัวอเราก็ต้องหาของที่เป็นประโยชน์ให้กับร่างกายของเราดูแลสุขภาพของเราให้ดีเนี่ยพาเขาไปออกกำลังกายไอ้การนั่งนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์นั่งเล่นเกมอันนี้มันไม่ไม่ดีกับสุขภาพนะ ทำอย่างนี้เนี่ยคือการทำร้ายตัวเองนะเพราะว่าร่างกายไมไ่ออกกำลังกายมีแต่กินกิกิเข้าไปแต่ไม่ได้ใช้พลังงานมันก็กลายเป็นไขมันทำให้ตายเร็วนะคนในอเมริกาเนี่ตายเร็วมากขึ้นนะเพราะโรคหัวใจสุขภาพแย่เพราะว่าเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกาย เอาใจนั่งนั่งนอนนอนนั่งนอนเยอะไม่พอนะกินด้วยกินกินกินเข้าไปเพราะฉะนั้นนีถ้าเรารักตัวเองเต็มที่กับตัวเองเราก็ต้องดูแล ร, ร่างกายกินสิ่งที่มีประโยชน์นะถึงแม้มันจะไม่อร่อยกินผักเนี่ยเป็นต้นอย่า ก, กินแต่เนื้อเย่า ก, กินแต่ ของหวานนะถ้าเราดูแลสุขภาพดีนะสุขภาพร่างกายเราก็จะเป็นมิตรกับเราก็จะไม่ป่วยไม่ไข้ง่ายมีเรี่ยวมีแรงนะทํางานต่างๆเป็นมิตรกับตัวเองก็ยังหมายถึงว่าหาสิ่งดีๆมาให้กับกิตใจของเราอย่าเอาสิ่งเลวร้ายเข้าไปให้กับใจของเรา สิ่งดีๆก็เช่นอะไรบ้างเช่นความเมตตากรุณาความสงบเย็นสมาธิสิ่งที่ไม่ดีเช่นอะไรบ้างก็เช่นความโกรธความเกลียดนะความอิจฉาความเครียดนะความโลกพวกนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นกับใจแล้วเนี่ย ไม่มีความสุขนะเราอยู่ร้อนนอนทุกข์เกิดขึ้นกับใจเราเมื่อไหร่หรือเอามันใส่เข้าไปในใจเราเมื่อไหร่ เ, หรเนี่ยก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นต่อไปนานๆก็จะป่วยโรคความดันปวดโน่นปวดนี่ถ้าปไปมีจกตัวเองเนี่ยอย่าไปเก็บอย่าไปรักษาความโกรธความเกลียดเอาไว้นะ บางคนนี่หวงแหนความโกรธความเกลียดขอให้กูจะเกลียดมันเลยขอให้กูจะโกรธมันเลยยังไงก็ได้อันนี้เรียกว่าทำร้ายตัวเองนะทำร้ายทั้งใจและร่างกายบางคนใช้จะสมองแตกเพราะความกโกรธโกรธมากนี่ใช้จสมองแตกเป็นเอามาพึ่งเอามาภาพอย่างนี้เรียกว่ารักตัวเองไหม อนนี้เราเป็นม่กับตัวเองไหมทำร้ายตัวเองเพราะว่าเอาสิ่งที่เป็นพิษมาใส่จิตใจของเราเวลาโกรธเนี่ยเราต้องมีกำจัดนึงนะเช่นให้อภัยคนที่ไม่รู้จักให้อภัยนี่เรียกว่าทำร้ายตัวเองมีผู้หญิงคนหนึ่งนะ อายุไม่มายี่สิบกว่าเป็นโรคปวดหัวปวดท้องเลื้อหลังความดังสูงไปหาหมอเข้ า, ข า, ขาออกโรงพยาบาลหลายครั้งไม่หายทักทีให้ยาอะไรไปก็รู้แรงนิดหน่อยแล้วกลับมาเป็นใหม่หมอนี่ก็แปลกใจ อวัาวะส่วนร่างกายเขาไม่มีอวัยวะส่วนใดที่ผิดปกติแต่ทำไมมันปวดหัวปวดท้องความดันขึ้นวันหนึ่งหมอก็เลยสงสัยถามว่าไหนคุณช่วยเราประวัติคุณให้ฟังหน yes. ่อยเธอก็เล่าว่าเธอเป็นเด็กกาพ ร, ร้าอยู่ในความดูแลของพี่พี่สาว เวลาพูดถึงพี่สาวนี้เธอยมีความโกรธมากเพราะว่าน้อยใจรู้สึกว่าพี่เอาเปรียบไม่สนใจหมอก็เลยบอกว่านะนนำอย่างหนึ่งนะให้คุณให้อภัยพี่สาวเซอร์โกรธเลยนะหมอนแนะนำอย่างนี้ไม่พอใจหมอก็เลยหายไปเลยแทนที่หมอจะให้ยาหมอกลับมาบอกว่าให้อภัยพี่สาวคนไข้ไม่พอใจ ว่าประมาณสักปีหนึ่งผ่านไปหมอก็จะจดหมายจากคนไข้คนนี้บอกว่าตอนนี้หายแล้วปวดหัปวปท้องอ่ะคํามดันพอทําตามที่หมอแนะนําคือให้อภัยถ้าเป็นไม่กอกตัวเองนีมันต้องรู้จักให้อภัยให้อภัยพอทําให้อภัยเนี่ ย, ย, ย, ยก็คือการเลี้ยงความโกรธไว้ในใจคนที่ปล่อยความโกรธนี่อยู่ในใจก็เมันกับ ปล่อยให้ไฟนะมาเผาผานตัวเองอย่างนี้จะเร้่เป็นไม่กฉาตัวเองไหมเป็นม่กับตัวเอง น, ะ น, องนี่ต้องไม่ปล่อยให้ไม่ยอมให้ความโกรธความเกลียดความอิจฉามันครองใจนะต้องหาทางเยียวยาอย่างน้องไอเนี่ยน้องไอนี่แล้วก็ป่าวหวานเหมือนกันนะ พอมีความทุกข์นี้เขาก็พยายามที่จะหาทางระ ง, งับน้องไอแทนทจะเตะเตะกระจกเตะประตูกกระจกว่าทําให้ฉันเจ็บเนียน้องไอมันนั่งสมาธิเปลววานแทนที่จะต่อว่าแม่เถียงแม่อ่าว่าแม่ทําให้ฉันทุกข์เปาววานก็หันมาสงบสติอารมณ์เพื่อไม่ให้ความโกรธคลองใจ น้องไอซเหมิงกันนะเวลาชนเวลาชนประตูเนี่ยก็โกรธนะโกรธประตูโกรธกระจกความโกรธไอ้ความปวดเวลาปวดที่ออะไรนมันจะโกรธตามมาสังเกตไหมเมื่อเราปวดเนี่ ย, นนยมันจะโกรธตามมาตอนนั่งเมื่อยเมื่อเงี้ยมันก็จะโกรธนะมีความโกรธเกิดขึ้นเด็กที่ฉลาดนี่ยเขาจะรู้ทันแล้วก็อานทางระงับ โดยใช้สมาธิบ้างพอสมาธินี่ะระงรับความโกรธได้พอความโกรธเบาลงความปวดก็ลดลงด้วยปวดกับโกรธนี่มันคู่กันนะปวดทำให้โกรธโกรธทำให้ปวดอย่างผู้หญิงคนชื่ว่าเี่ยจะโกรธพี่สาวก็เลยปลวดปวดหัวปวดท้องแ ล, อแล้วพอปวดแล้วเนี่มันก็โกรธ นี่ถนะ้าถ้าเรารู้จักถ้าเราเป็นไม่กระตุยเองเราต้องพยายามระ ง, งับความโกรธไม่ทําตามความโกรธทําตามความโกรธนี่ก็ทําร้ายตัวเองนะเช่นพอโกรธแล้วก็ไปดา่าอางเงี้ยบางทีน ค, คนที่ถูกด่าคือใครก็คือพ่อคือแม่คือย่าคือยายของเราแล้วทํานี้ก็เป็นบาปนะไปดา่าไปว่าเขาเนี้ยแต่ทำไมถึงทําก็เพราะว่าความโกรธมันสั่ง ความกลมาัให้ด่ามีความกลัวมาสั่งให้ทําลายเข้าของเสร็จแล้วก็มาเสียใจว่าของพังไปแล้วขว้างโทรศัพท์โทรศัพท์เสียไปแล้วอันนี้เราขนโง่ น, นี่คือคนไม่รักตัวเองรักตัวเองเนี่ยมันต้องหาสิ่งดีๆมาให้กับจิตใจของเราหาสิ่งดีๆมาให้กับร่างกายของเราไม่ใช่ของอร่อยไม่ใช่ของแพงแต่เป็นของที่ถูกถูกต้อง ไม่ใช่ถูกใจถูกใจนี่ส่วนใหญ่ไม่เคยดีนะเด็กเนี่ยถ้าไปททำการบ้านหรือว่ามีการบ้านรล้ลอกการบ้านเราเนี่ยเรื่องนี้ถูกใจเพราะว่ามันไม่เหนื่อยแต่มไม่ถูกต้องกิงนนกตกปลาเนี่ยถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องนะหรือว่าอาแต่นอนดูโทรชัดเนี่ยนี่ถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องเพราะามีการบ้านต้องทา หรือว่าต้องช่วยงานบ้านหรือว่าต้องออกกำลังกายเนี่ยรักตัวเองเป็นมีกับตัวเองต้องไม่ปล่อยให้อารมณ์เลวยเข้ามาคลองใจความโลภก็เหมือนกันนะความโลภเกิดขึ้นแล้วนี่มันมันเผาใจนะอยากได้แล้วพออยากได้พุ่มเนี่ยนะ ใจมันร้อนเลยเพราะว่าความโลภเกิดขึ้นแนละ้ชอิชทฉาทำให้ตาร้อนแต่ว่าความโลภทาให้ใจร้อนอยากได้แล้วก็อยากได้เดี๋ยวนี้ด้วยนะถ้าพ่อแม่ไม่ซื้อให้โกรธนะพอโกรธแล้ว น, น, นี่คขายอาลวานแล้วพออาลวานนะ มันไม่ใช่ไปทำร้ายคนอื่นเลยนะมันทำร้ายตัวเอ ง, นะม เ, องเมื่อสองอทีที่แล้วเนี่ยได้มีคนถ่ายคลิปวิดีโอประเทศจีนหญิงสาวไปเที่ยวตลาดอยู่หางสประสินค้ากับเพื่อนกับแฟน <c oughs> ผู้หญิงอยากได้ไ h o n e 6ลบเล่าให้ แฟรซื้อแฟนไม่ซื้อผู้หญิงโกรธต่ว่าผู้ชายผู้ชายเฉยทำเป็นท้องไม่รู้ร้อนผู้หญิงทำไงถอดเสื้อแล้วก็ถอดกางเกงแล้วก็ถอดยกทรงแล้วก็ถอดกางเกงใน หรือแต่ตัวประท้วงแฟนไม่รู้แฟนหรือว่าผัวนะประท้วงเพราะว่าไม่ยอมซื้อไอโฟนให้อย่างนี้เป็นม่กับตัวเองรึเปล่าไม่นะมันทำร้ายตัวเองเปื่อยตากายให้ใครต่อใครเห็นแถมมีคนถ่ายใช่ไมไม่รู้ว่ามีคนถ่ายไว้คนก็ผ่านไปผ่านมาเพียงนี้ก็ไม่สนใจเอาให้ได้ไอโฟนไอโฟน อันนี้เรียกว่าเป็นทั้งโง่นะแล้วก็ไม่เป็นม้กับตัวเองทำร้ายตัวเองทาให้ตัวเองเสื่อมเสียขายหน้านี่เพราะความโลภนะความโลภมันทำให้ลืมตัวความโลภแล้วพอไม่ได้ไม่ได้อย่างที่หวังก็โกรธพอโกรธแล้วก็ลืมตัวคนเราแล้วพอลืมตัวแล้วนะมันทำอะไรก็ได้นะ การรับตัวเองเนี่ยต้องอย่าลืมตัวต้องมีสติฟิลคนนั้นเนี่ยก็ไม่มีสติแล้วเพราะความโลภเนี่ยมันคลองมันคลองใจความกลัวมันคลองใจไม่มีสติรักตัวเองเป็นมีกับตัวเองต้องมีสตินะต้องมีความรู้สึกตัวพอถ้าไม่มีสติไม่มีความสึกตัวเมื่อไหร่มันทำร้ายตัวเองเหมือนนั้น คือกลัวพอกลัวก็ดา่ดาด่าทำลายเข้าของพอโลภ ก, ก็อยากจะขโมยเด็กดีๆบางคนเนี่ยนะเห็นโทรศัพท์เพื่อนไอโฟนรุ่นใหม่อยากได้ห้ามใจไม่อยู่ความอยาก ตอนนั้นไม่มีสตรีเพรา่มนหน้า ม, มืดหน้า ม, มืดแล้วเป็นไงขโมยถูกจับได้ถูกลงโทษถูกตัดคะแนนเสียชื่อตัวเองเสียชื่อพ่อแม่ทั้งที่ก็ไม่ยากจนอะไรแต่ขโมยถามว่าทำได้ยังไงผมก็ไม่รู้ครับมันหน้า ม, มืดบางคนหน้า ม, มืด ผู้หญิงสองคนรักผู้ชายคนเดียวกันนี่นักเรียนนะโกรดโกรดใช่ไงหน้ามืดตีกันอัน น, นี้มีนักเรียนตีกันเยอะนะผู้หญิงแย่งแย่งแฟนอายุแค่สิบสาสบสี่ตะกันถึงกับลุมถึงเสื้อผ้าถึงผมฉีกเสื้อผ้ามีเพื่อนถ่ายรูปไว้ทางโทรศัพท์มือถืออัพขึ้นทางเฟ e บุ๊ k ยูทูบเสียชื่อทั้งตัวเองเสียชื่อทั้งพ่อแม่ก็เป็นเด็กดีนะแต่ว่าทำไมถึงทาลืมตัวค่ะมันหน้า ม, มืดนะอันนี้เพราะไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวงั้นถ้าเราถาราักตัวนะต้องมีสติอันนี้เมื่อวานนี้ก็พูดไปแล้วนะเพราะว่าหลวงปู่บุดดาหลวงปู่ ขาวเนี่ยท่านรอดตายเพราะว่ามีสติเจอช้างเจองูแล้วทีแรกก็กลัวนะแต่ว่าระงับได้เพราะมีสติพอมีสติปุ๊บนึกถึงพระณะตายทันทีทำให้ใจสงบเย็นอบอุ่นมั่นคงนะอันนี้เรียกว่าเป็นมิตรกตัวเองแท้จริงถ้าไม่เป็นมิตรกตัวเองนะตกใจตัว เพ่นเลยนะเพ่นนี้ช้างก็วิ่งตามกระชึกหรือไม่ก็สู้กับเขาสู้เนะี่ยบางทีมันสู้ไม่รู้ทาไงก็สู้ก็สู้กับงูก็เลยงูฉ ก, กตายหรืออย่างเนี้ไฟไหมเนี่ยกําลังอยู่ในโรงหนังอยู่ในห้องประชุมไฟไหมแต่คือเลยเพราะไม่มีสติเลยเหยียบกันตายมีคนเขาแ น, นนะนํา่าเวลาไฟไหมเนี่ยเอย่เพิ่งวิ่งตามคนอื่นเขา ปล่อยให้คนอื่นวิ่งไปก่อนแล้วเราคอยดูว่าเขาวิ่งไปเขากลับมาไหมถ้าวิ่งไปแล้วหายไปเลยแสดงว่าเขาเจอทางออกแล้วเราก็เลยก็ค่อยเดินตามหรือวิ่งตามไปแต่ถ้าเขาไม่เจอไม่เจอทางออกนะทางตันนะเขาจะวิ่งกลับมาแต่คือกลับมาเราก็ต้องคอยหลบนะคอยหลบคอยเดินคอยยืนอยู่ ริมรทางอย่าไปยือนอยู่กลางทางาดเดี๋ยวโดนข้เหยียบอันนี้เป็นเป็นหลักเป็นคําแนะนำ ง, ง่ายๆว่าอจะพึ่งวิ่งไปกับเขาปล่อยให้เขาวิ่งไปก่อนคือวิ่งไปกับเขาแล้วเกิดทางตันขึ้นมานะเราอยู่ข้างหลังนะเขาเขาหันกลับมาเราโดนเหยียบเลยนะตายเขาแบบนี้เยอะนะถูกเหยียบเหยียบ ก, กันตายคนที่มีสติเขาจะปล่อยให้ใครจะอใครวิ่งไปก่อน ตัวเองอยู่เฉยๆลุ่มสติให้ดีแล้วก็ถ้าเกิดวิ่งไปแล้วไม่กลับมาแสดงว่าเขาไอ้ทางน่ารักคือทางออกก็ออกทางนั้นแหะอันนี้เรียกว่าเป็นคนฉลาดเพราะมีสติแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่คยเจอเรื่องแบบนี้หรอกนะเราไปเจอเรื่องประเภทว่าโกรธมากกว่าโกรธเกลีดกยดอิจฉาโรกให้รู้ว่าพวกนี้คืออันตรายต่อจิตใจเรา อยากเก็บมันเอาไว้อย่าถนอมมันต้องหาทางหาทางปัดเป่าไปด้วยการมีสติกับมาดูใจสติเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสัญญาณระวังภัยนะถ้ามันมีตัวร้ายขึ้นมาในจิตใจเราเช่นความโกรธความเกลียเนียสติจะเป็นตัวบอกมันก็สัญญาณการขโมยมนก็สัญญาณกาันกันไฟตามตื่นต่างมีมีสัญญาณกันไฟนะเวลา ถ้ามีควันอยู่ควันไฟไหม้เนี่ยสัญญาณที่ดีมันจะบอกทันทีเราบอกทันทีปู๊ไปทํางานก็รีบไปดับไฟเราพอๆก็รีบไปดับไฟทันทีหรือไม่สมัยนี้มันมีเครื่องฉีดน้ําอัตโนมัติพอมีควันขึ้นในห้องนี้สัญญาณมันดักจับได้มันส่งส่งข้อมูลไปให้เครื่องฉีดฉีดน้ํามันก็พ่นน้ําดับไปเลย ใจเราก็มีเหมือนกันนะไฟที่มันเกิดขึ้นก็คือไฟโทสะใจเรามีอะไรมีสติเป็นสัญญาณดับจับพอรู้ว่าไฟพอรู้วโกรธขึ้นมาสติก็สั่งให้เมตตาหรือการให้ภัยทำงานดับความโกรธ ด, ดับไฟโทสะก็ปลอดภัยใจสงบนั้นเราเนี่ยนะ พอรักตัวเองต้องมันดูใจเรานะหมั่นมีสติดูใจตอนนี้ใจเราเป็นยังไงตอนนี้เราฟุ้งซ่านหรือเปล่าตอนนี้เราใจลอยไหยกําลังฟังธรรมตัวฟังธรรมแต่ใจไม่รู้ไปไหนแล้วตัวอยู่สาราแต่ใจในี่ไปกลับไปบ้านแล้วกลับไปบ้านเออเจอ ว, วันนี้จะไปฉลองอะไรดีจะไปดูอะไรดีจะไปกินน้ำอัดลมจะไปกินของโปรดนะ ใจมันวางแผนแล้วอันนี้เรียกว่าใจลอยให้มีสติกลับมาอยู่ที่ศาลากลับมาฟังธรรมความรู้สึกตัวไงตอนนี้รู้ทันนี่มีเด็กคนหนึ่งกเก่งมากเลยนะเป็นแด่ผู้หญิงอายุแปดขวบวันหนึ่งหลวงพ่อประสงค์ปริปุนโนมีใครรู้จักมากหลวงพ่อประสงค์เคยไปเทวพระพลามกาะ มีหลายคนนะหลวงพ่อพรประสงค์ีประเทศตามโรงเรียนก็เห็นเด็กคนนี้คุยสนทนาสักพักเด็กคนนี้ฉลาดสนใจธรรมะมีความรู้แปลกครัวเองนะหลวงพ่อสงก็เลยบอกว่าหนูเป็นเด็กดีหนูเป็นเด็กฉลาดหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูก็หยิบเอารูกประคำขึ้นมาจากย่าม เด็กพอเห็นรูปประคำก็ร so ้องโอ้โหหลวงพ่อเลยถามว่าหนูร้องโอ้โหหนูเห็นอะไรเด็กไม่ได้ตอบว่าหนูเห็นรูปประคำนะเด็กบอกว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะเด็กไม่ได้ตอบเรื่งว่าว่าหนูดีใจนั้นเด็กว่าตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจหลวก็่อสงถามว่าน้อหนูทํายังไงกับมันเดี๋ยวก็ตอบว่าหนูไม่ทําอะไรกับมันค่ะ รดูแค่ดูมันเฉยๆตอนนี้ความข้างในมันสงบมันเบาลงแล้วความดีใจมันลดลงแล้วเด็กทําอะไรเด็กก็คือเด็กมีสติรู้ทันความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเด็กเห็นตาตาเด็กเห็นรูปประคำแต่ใจเห็นความดีใจไอ้ ใ, ใจที่เห็นความดีใจคือสตินีตาเห็นรูปประคำแต่ใจ หรือสติเห็นความดีใจเด็กไม่ได้บอกว่าหนูดีใจนะเด็กบอกว่าหนูเห็นข้างนานมันดีใจเวลาเราโกรธเนี่ยอย่าไปคิดว่าหนูโกรธนะหรือเราโกรธนะให้เห็นความโกรธหรือเห็นข้างนานมันโกรธภาษาผ้าเรียกว่าความดีใจไม่ใช่เราความโกรธไม่ใช่เราเป็นอีกตัวหนึ่งเด็กคนนี้ก็ฉลาดนะ ก็ไม่ไม่บอกว่าหนูดีใจก็ว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจก็คือเห็นตัวดีใจนั่นเองความดีใจไม่ใช่เราความดีใจไม่ใช่หนูหนูเป็นแค่ผู้เห็นพวกเราก็ทําได้นะเวลาดีใจเวลาเสียใจเวลาโกรธเวลาโมโห О, ให้เห็นว่าข้างในมันโกรธข้างในมันดีใจข้างในมันโมโห О, ข้างในมันเศร้าข้างในมันอิจฉาถ้าทําได้อย่างนี้นะ ใจมันจะสงบเลยความดีใจพอมันถูกเห็นนะความเศร้าความกลัวพอมันถูกเห็นนะมันก็เหมือนขโมยที่แอบเข้ามาในบ้านแอบเข้ามาในบ้านเราพอเราเห็นมันนะเราเป็นเจ้าบ้านเราเห็นมันนะขโมยก็หนีไปเลยไม่ต้องทำอะไรกับมันนะพอขโมยเนี่ยรู้ว่าเจ้าบ้านเห็นเจ้าบ้านรู้นะมันเขาหนีไปเลยอารมณ์แบบนั้น เป็นอย่างนั้นเนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้อารมณ์เหล่านี้เนี่ยเข้ามาเผาผลาญจิตใจเข้ามาบิดคั้นจิตใจชิงแย่งจิตใจก็ต้องมันมีสติตามดูรู้ทันเหมือนกับว่าเรามีมียามที่คอยเฝ้าเฝ้าบ้านเอาไว้สติเหมือนกับยามถ้าเรารักใจเราเต็มที่กับใจเราเนีะก็ต้องรักษาไม่ให้ พวกบาป พ, พวกอกุศลพวกอารมณ์เหล่านี้เข้ามาเล่นงานจิตใจ <c oughs> ก็ต้องมีสติคอยป้องกันาะฉะนั้นการเป็นมิตรกับตัวเองเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการมีสติมีความรู้สึกตัวอันนี้จะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้กายและใจเราจเจริญงอกงามกินอาหารถ้าไม่มีสตินะมันก็กินเอาเอารสชาติเป็นหลักเอาความ อร่อยเป็นหลักกินตามกิเลสแต่แล้วร่างกายเดือดร้อนจิตใจก็ยำแย่สติสำคัญมากในการที่จะทำให้เราทำสิ่งดีๆถูกต้องให้กับกายและใจเราเป็นม่กับตัวเองแท้จริงอ่ะเราก็เพื่อนท่านี้นะอ่ะครับ